พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่กรบค่ะดิฉันสันสนีนาคพงกับรายการสันสนีสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 มาพบกับท่านฟังกันอีกแล้วนะคะในยามเช้าตรู่เพื่อที่จะทำให้แตละวันแตละวันของท่านนั้นได้มีธรรมะไปใช้ในการที่จะดำเนินชีวิตให้มีความสุขมากกว่าเดิมหรือว่ามีชีวิตที่เป็นปกติไม่เดือดร้อนเรามีพระภัยบุอภิปุญโนนะคะจากวัดป่าดอนายโศกุดรธานี ผู้ที่มาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะและวันนี้ท่านก็ยังมีท่านเจ้าว่ายของวัดปาดอนายโซนะคะคือหลวงพ่อดรสะอาดมาเป็นกําลังใจในการที่จะคลี่คลายธรรมะให้กับพวกเราด้วยกราดน้องสกการครท่านค่ะเยี่ยมมากค่ะก็พูดถึงเรื่องของกรรมอยู่ในช่วงสัปดาห์นี้ค่ ะ, ะก็เกริ่นเอาไว้ครั้งที่แล้วค่ะเข้าใจว่าคงจะมีหลายคนคอยตามละวะหากจะให้ท่านไปบูลช่วยดูได้ไหมว่า เกิดมาเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยมันมีกรรมอะไรนักหนาชาติที่แล้วไปทําอะไรใครมาเหรอนะคะแล้วก็ท่านไปบุลจะช่วยแก้ให้ได้หรือไม่อืแต่ว่าดิฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะข้ามขั้นกระโดดไปหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานนี้เราคุยกันอยู่ในเรื่องของกรรมเกา่ากรรมเกา่าใช่กรรมเก่าก็คงจะมีรายละเอียด ท, ที่ที่ต้องทราบสำคัญสาคัญคือสรุปของเมื่อวานสัหน่อยหนึ่งกัแล้วกันเนา ะ, ะ, ะว่ามันคือการที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้นี่ข้อที่หนึ่งแต่ข้อที่สอง คือไม่ใช่ว่ากรรมเก่าอย่างเดียวที่เราได้รับอยู่ตอนนี้นะความสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในชีวิตเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่กรรมเก่าอย่างเดียวนี้เราต้องทําความเข้าใจนะแล้วข้อที่3เราอยากเห็นว่ากรรมเก่านี้เป็นสาระสําคัญมากนะคือสําคัญอยู่แต่ว่าไม่ใช่สําคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราเห็นอันนี้เป็นสาระสําคัญที่สุดแล้วนะเราจะไม่ได้จิตใจน้อมไปในการสร้างกรรมใหม่ที่ดีนะทุกอย่างก็ <Yeah. S 1> จะไปลงกรรมเก่าหมดกรรมเก่าหมดเราก็จะไม่รู้ว่าอะไรควรละอะไรควรทํา นะซึ่งถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องว่าอ๋อใช่ละกรรมเก่าก็มีอย่างอื่นก็มีเราก็จะรู้ว่าอะไรที่ควรละอะไรที่ควรทําอันนี้คือเรื่องของกรรมเก่ากรรมเก่านะ ค, คิดว่าสมบูรณ์ตรงส่วนนั้นไปนะทีนี้ถึงประเด็นที่คุณโยมติ๋วพูดถึงว่าเอ๊ะแล้วเราจะจะรู้กรรมของตัวเองได้ไหมหรือคนอื่นจะมารู้กรรมของตัวเราเองได้ตัวชั้นได้ไหมนะแล้วเราจะแก้ได้ไหมอันนี้นั้นะดับแรกเราอาตมานี่สามารถตอบให้ได้นะพยากรณ์ให้ได้เลย ในคนที่เกิดมามีฐานะ ด, ดีรูปร่างสวยมีการศึกษาดีนะแสดงว่าชาติที่แล้วนี่คุณเป็นเทวดามานะอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้คืออาตมาก็ลอกตามพระพุทธเจ้านะ oh, <okay. S 1> บอกพุทธเจ้าบอกว่าคนที่เป็นเทวดามาเกิดเนี่ยคือเป็นเทวดาก่อนเอาใหม่คนที่ทํากรรมดีในโลกนี้นะขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าไล่ไปอย่างนี้มี3สเต็ปสเต็ปแรก <Okay. S 1> คุณทาความดีในโลกเสร็จปุ๊บคุณก็จะไปเกิด เ, เป็นเทวดาบนสวรรค์นั่ น, นี่คือสเต็ปที่สองพะสเต็ปที่2คุณไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ไม่รู้นานเท่าไหร่นะตามความดีที่คุณทําไว้เสร็จปุ๊บตอนที่คุณตกจากสวรรค์มาคือกรรมหมดใช่ไหมคือหมายความว่าไอความสุขบนสวรรค์ที่คุณจะได้รับเนี่ยผลมันหมดแค่นั้น<อ>ก็จะมาเกิดบนโลกมนุษย์ในลักษณะที่เกิดอยู่ในตระกูลสูงนะตระกูลสูงก็คือมีทรัพย์สินเงินทองนะมีคนผิวผิวพรรณดีแลนะมีการศึกษามีอันจะกิน ในนี้คือลักษณะของคนที่มาจากสวรรค์อันนี้พยากรณ์ให้ไดนะ้ตามที่บุรุษชาบอกในทางตรงนข้ามนะในทางตรงกันข้ามคนที่มาจากนรกนี่มาจากนรกก็จะผิวพรรณซามนะเกิดในตระกูลที่จะได้ข้าวอาหารพวกนี้ขัดสนเราก็จะมีเพื่อนไม่ดีมีสุขภาพร่างกายไม่ดีถึงขนาดบางทีตาบอดแขนขาดเป็นง่อยเป็นอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้เป็นข้อมูลที่บ่งบอกว่าอันนี้อาจจะ มาจากนรกหรือสัตว์เดรัจฉานแล้วมันได้เกิดบนโลกมนุษย์ในลักษณะนี้ <c oughs> ก็จะมีภาษะที่ไม่ดีไม่ดีนะถ้ากรณีมาจากที่อบายแต่ถ้าก็จะมีภาษะที่ดีที่ดีเหลืออยู่ถ้ากรณีมาจากสวรรค์อันนี้เกิดขึ้นได้ท <c oughs> ีนี้นี่คือลักษณะของมืดสว่างมาหรือว่ามืดมาอันนี้ <c oughs> พุทธาบอกไว้นะสว่างมาก็คือเหมือนกับคนที่เดินมาจากที่สว่างอย่างนี้ก็คือมาจากสวรรค์ มืดมาก็คือเหมือนกับคนที่ออกมาจากมุมมืดก็คือมาจากอบายแต่นี้เรากำลังพูดถึงมนุษย์นะคนเรา <c oughs> นั่นเองนะอันนี้เป็นไปได้ประเด็นที่ถามว่าแล้วเราจะรู้หมายถึงว่าคือตอนนี้เรารู้แล้วว่าอ๋อฉันตัวตัวฉันเป็นประเภทนี้มานะสว่างมาหรือว่ามืดมา <c oughs> ทีนี้าถามคนอื่นจะรู้ได้ไหมคนอื่นจะรู้กรรมของเราได้ไหมค <c oughs> ่ะความสามารถนี้มีอยู่ ในทางคําสอนพระเจ้าเนี่ยพูดถึงความสามารถอันหนึ่งที่เรียกว่าจุดตู้ปปตาตาญาณนี่ยคือการรู้ถึงที่ที่จะจุติของสัตว์นะคือรู้หมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมได้ว่าสัตว์ประเภทนี้นทํากุศลกรรมมาทางกายวาจาใจจุติจากโลกนี้ไปก็ไปเกิดเป็นสวรรค์เป็นเทวดา เ, เป็นมนุษย์ในชั้นที่ดีในส่วนสัตว์เหล่านี้นประพฤติทำกรรมด้วยอำนาจของมิจฉาทิฏฐิตายไปก็ไปตกนรก เติมเลยระยานเปรดวิสัยพวกนี้มีคนที่มีความสามารถตรงเนี้ดูตัวเองก็ได้ดูคนอื่นก็ได้มีรู้ได้ชาติหนึงบ้าง2ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้างอันนี้มีนะหลายสงสองขมีนะแล้วก็รู้ชื่อนามสกุลชาตินั้นเป็นอะไรชาตินี้เป็นอะไรมีนะเกิดขึ้นได้ประเด็นมันคือตรงนี้นะคุณยมติวคนที่มีความสามารถประเภทเนี้ไม่ใช่ว่าจะจำชัดทุกคน E คือหมายก็ว่าสมมติสมมุตินะถ้าสมมติคุณโยมติ๋วเนี่ยมีความสามารถที่เรียกว่าจุตุปาปาตยานแต่ต้องอาศัยอะไรเป็นเหตุเกิดก่อนแตนต้องอาศัยสมาธิเป็นเหตุเกิดอันนี้เกิดขึ้นได้นะคือถ้าสมมุติเราเคยดูมายากลอย่างเงี้ยเขาสลับไพ่สามสี่ใบให้คุณเลือกแล้วก็ถามคุณสองสามคถามเขาจะรู้แล้วว่าคุณเลือกอะไร e โอ<ฮ>้เหมือนกับมีเบ็มนจรงิงจริงใช่ไหมแต่นี่คือลักษณะของมายากลซึ่งพระเจ้าเตือนไหมว่าถ้าคนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ย เห็นพระหรือเห็นใครที่เขามีความสามารถจะบอกอดีตอนาคตได้อย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะคิดว่าคุณเน่ยเล่นมายากลแต่คือนี้สำหรับคนที่ไม่มีสตาน ะ, ะเขาอาจจะพูดอย่างนั้นได้แต่ถ้าเรามั่นใจว่าเออเฮ้ยไ อ, ย อ, ย อ, ยอยความสามารถตรงนี้ของเราเกิดจากเป็นผลของสมาธิอันนี้มันเกิดขึ้นได้แต่คุณต้องมีสมาธิเป็นเหตุแลงคุณถึงจะมีความสามารถที่เรียกว่าจุดูปปาตยานได้คประเด็นที่อาจารย์มามัพูดก็คือว่าไอจุดูปปารตยานที่คุณจะมีเนี่ย มันไม่ได้จะแจ่มชัดทุกคนนะไม่ได้จะแจ่มชัดเหมือนกันทุกคนด้วยสม ม, ส ม, มตุติถ้าคุณโยมติ๋วมีแล้วคุณโยมติ๋วไปดูเพื่อนสักคนหนึ่งนะใช้ความสามารถนี้ในการดูเพื่อนสักคนหนึ่งดูเพื่อนคนที่1กับดูเพื่อนคนที่สองเราดูเพื่อนคนที่1กับดูเพื่อนคนที่2อเนี่ยอาจจะได้ย้อนกลับไปได้ชาติไม่เท่ากันด้วยแล้วความแจ่มชัดของแต่ละคนว่าเขาไปเกิดเป็นชื่อนี้เขากินอะไรได้ไม่เท่ากันด้วย นะเพราะว่ามันถูกปกปิดอยู่ด้วยอำนาจของภพภพเนี่ยเป็นเครื่องปกปิดอยู่เพราะฉะนั้นบางทีกรรมของคนนั้นก็ถูกเขาปิดอยู่ทําให้เรามองไม่เห็นนะทําให้เรามองไม่เห็นหรือว่ากรรมดีเขายังบังอยู่ทําให้มองความชั่วไม่เห็นหรือกรรมชั่วมองอยู่ทำให้บังอยู่ทําให้มองความดีไม่เห็นอันนี้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าย้อนหลังได้ดูได้มันไม่ใช่ว่าดูได้ทั้งหมดเขาก็จะเปิดให้ดูตรงนั้นเปิดให้ดูตรงนี้ พอรู้พอเห็นหรือว่าพอไม่ให้รู้พอไม่ให้เห็นอันนี้เป็นไปได้ค่ะเพราะคนที่เราฟังมาว่าเขาเ้คนนี้รู้จริงคือเขาอาจรู้จริงอยู่แต่รู้ไม่หมดเนี่ยนี่เราต้องอฟังหูไม่หูนะอันนี้ต้องระวังค่ะคือดิฉันเคยได้ยินว่าพระพุทธองค์เนี่ยไม่อยากให้ใครที่เป็นสิทธิท่านทําแบบนี้ไม่ใช่เหรอคะอืมทำนี้ไปเที่ยวพยากรคนนั้นของนี้นะคะ่ะอ๋อทเที่ยพยากรนี้ก็ไม่ไม่ใช่วิสัยของของสาวกที่พระพุทธเจ้ายกย่องอยู่แล้วอนะ ค, คือความสามารถอันเนี้ยมีคือต้องยกย่องว่าอะไรนะสมมุติใครสักคนในคนหนึ่งทําได้ต้องยกย่องโอ้โ oh, หท่านมีสมาธิท่านมีปัญญา น, น, นี่คือปัญญาของบุคคล น, นั้นแม้นี้ก็เป็นปัญญาประการหนึ่งแม้นี้ก็เรียกว่าเป็นสามัญญผลของพิกสุท์ที่อยู่ในธรรมะไว้ไหนนี้นะเป็นเรื่องดีที่มีน ะ, ะแต่ถามว่าถ้าเอาไปใช้แล้วเอามาอวดอันนี้ไม่ดีนะคือคืออวดเนี่ยอวดนี่มัน อวดถ้าไม่มีนะตัวเองไม่มีแล้วอวดที่ไม่มีเนี่ยอันนี้ถึงขั้นความผิดชนิดได้ว่าประหารชีวิตก็คือออกจากความเป็นพระแต่ถ้าเอามาอวดอวดนี่ก็คือคือไม่ได้ทําให้ดูนะแต่พูดว่าฉันมีนะคือคําว่าอวดกับคําว่าแสดงนี้ไม่เหมือนกันคือถ้าอวดคือไม่ได้ทําให้ดูแต่พูดว่าตัวเองมีอันนี้ก็คือถ้าตัวเองไม่มีอันนี้คือไปถูกตัดคอซะออกจากความเป็นพระแต่ถ้าพูดว่าตัวเองมีแต่ไม่ได้ทําให้ดูนะ แล้วตัวเองมีจริงๆอันนี้ก็เป็นความผิดระดับหนึ่งแก้ได้แล้วถ้าทําให้ดูเลยโดยที่ไม่ได้บอกว่าฉันมียานอย่างรู้นะแต่พูดเลยพูดแล้วก็ทําให้ดูเอ้ยมันจริงด้วยอันนี้ก็เป็นความผิดขั้นที่น้อยที่สุดเลยนะคื อ, ค, อความผิดขั้นที่น้อยที่สุดนะไว้อย่างงั้นมีสามระดับ ถ, ถ้ามีจริงทําให้ดูเนี่ยไม่เป็นไรอ่าผิดน้อยที่สุดน้อยที่สุดแต่ถ้าไม่มีแล้วไปบอกว่ามีนี่แย่ที่สุดขาดความเป็นพระสมมุติถ้าเป็นพระอยู่ใช่ไหมคะใช่ใช่ ประเด็นที่คุณยมติวพูดเมื่อสักครู่ก็คือว่าผู้รู้เจ้าไม่ยกย่องพวกนี้ใช่ค่ะผู้รู้เจ้ายกย่องความที่หลุดพ้นจากกิเลสอันนี้ใช่แต่ถามว่ายกย่องไอ้ตรงเนี้ยยกย่องในแง่มุมไหนคือคื อ, อเห็นโทษของมันอยู่ใช่ในความที่คนอื่นเขาจะมีมิจฉาทิฏฐิไปโดยจะพึ่งยิงคนที่ไม่มีศรัทธาใช่ไหมแต่แต่ข้อดีของเขาก็คือว่าเป็นผลของสมาธิอันนี้ผู้รู้เจ้ายกย่องตรงนี้ แต่ยุก <คะ S 1> ย่องเรื่องของสมาธิที่เป็นเหตุให้เกิดมีความสามารถประเบบเนี้ขึ้นได้ก็หมายความว่าถ้าเกิดใครมีความสามารถแบบนี้สามารถจะบอกได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยได้ทําสมาธิอย่างน้อยก็ต้องถึงขั้นจะตูปาปาจัยานใช่จุตูปาปาอะไรางนี้จุตูเป็นชั้นที่เท่าไหร่กันคะเออเป็นเป็นหมายความว่าคือชั้นสมาธิชั้นไหนก็ได้ก็จะให้ผลอันนี้ได้แต่ความแจ่มชัดของผลของยานนี้จะไม่เท่ากัน ความแจ่มชัดจะไม่เท่ากันค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดมีใครเข้ามาชวนไ ป, ไปให้ใครดูว่าคนนี้จะมองเห็นกรรมคนได้บางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะจริงแต่จริงๆแล้วพวกนี้จะไม่เห็นแจ่มชัดอย่างแท้จริงอมมสมอไปอาตมาคิดว่ายากมากเลยคนที่จะมีความสามารถขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเขามีจริงๆนะเขาเก็บเงียบเลยเขาอยู่ในป่านัน่นเขาไม่มาเที่ยวพูดค่ะแล้วก็จะไม่มาหากินด้วยวิธีนี้แน่นอน ก็จนแต้มเลยสิคะเนี่ยไม่รู้ว่ามีกรรมอะไรแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงแก้ได้นะคื อ, อวิธีการแก้ไขถามว่าเราเกิดมาจนบัตรนี้เนี่ยนะมีกายอย่างนี้เนี่ยนะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนว่าเราอยู่ในสังสา ร, รวัตรเนี่ย <S <S ู้ชา่อบอกงี้ว่าถ้าเราเห็นคนที่ได้รับทุกนะแขนขาด้ า, ด ข, าดขาดหรือว่ามีความทุกข์ยังไงก็แล้วแต่เนี่ย พึงลงพึงมั่นใจเลยว่าไอเราเนี่ยก็เคยเจออย่างนี้มาก่อนในตลอดการยืดยาวนานในสังสารวัตน์นะี้ในทางตรงกันข้ามถ้าเราเคยเจอคนที่มีความสุขมีความสมหวังอะไรต่างๆมีเงินมีชื่อเสียงก็ให้ลงความเห็นไว้เลยว่าแม้ตัวเราเองเนี่ยตลอดการยืดยาวนานในสังสารวัตเนี้ยก็เคยเจอความสุขแบบนี้มาเหมือนกันนะอันนี้คือเรื่องของสังสารวัตมันยาวนานมากนะถามว่า เออแล้วเราจะต้องแก้ไขนประเด็นเรื่องนี้ได้อย่างไรสมมุติถ้าเรามีความทุกข์ในปัจจุบั น, นมีความทุกข์ในปัจจุบันที่คิดว่าโอ้มันเป็นทุกข์ทรมานมากแน่นอนแต่คือถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วว่าเอ็มเป็นสุขทุกข์มันมีผลของกรรมเก่าก็มีการเตรียมตัวก็มีอะไรก็มีเราควรจะเห็นสาระที่สําคัญนัก็คือเรื่องของการที่เราต้องทําดีเราก็ทําดีต่อไปที่ที่ต้องทําความเข้าใจคือพุทธเจ้าเคยเปรียบกับก้อนเกลือ นะ<อ>เกลือเนี่ยมันมีรสเค็มมีรสเค็มจะให้ผลเป็นความเค็มความไม่อร่อยถ้าเราเอาเกลือก้อนหนึ่งนี้นานไปละลายลงในน้ำแก้วหนึ่งก็จะเค็มมากแต่ถ้าเอาเกลือก้อนเท่ากันไปละลายลงในน้ำโคงนม่น้ำคคาขงน้ำเจ้าพยานานมันก็จะมีความเค็มแทบหาไม่ได้ อ, อันนี้เปรียบเหมือนเกลือเนี่ยเปรียบเหมือนกรรมเก่าที่ที่เราได้ทำเอาไว้ที่มันจะให้ผลเป็นไม่ดีไอ้ความเค็มเนี่ยคือผลที่มันจะเกิดขึ้นนะ เป็นผล <Okay. S 1> ที่มันไม่ดีที่มันจะเป็นผลเค็มไม่อร่อยทนีนี้ไอ้กรรมไม่ดีคือเกลือนะเราเราปรียบเทียบให้เท่ากันก่อนนะกรรมไม่ดีนะกรรมชั่วเนี่ยคือก้อนเกลือผลของกรรมชั่วนั้นคือความเค็มนะถ้าผืว่าผนของกรรมชั่วคือความเค็มนะถ้าน้ํามันน้อยมันก็จะเค็มมากนะถ้าน้ํามันมากมันก็จะเค็มน้อยนะถ้าผืว่าไอ้ไอเกลือที่เรากรำชั่วที่เราเคยทําไว มันจะมาละลายออกให้เป็นความเค็มในมนุษย์มันก็จะเค็มได้เท่าที่มนุษย์จะเค็มได้ก็เช่นว่าอย่างมากที่สุดก็ตายเป็นมะเร็งขั้น4นะดีที่แย่ที่สุดก็เหมือนกับในละครน้ำเน่าทั่วไปอย่างนี้นะชีวิตเศร้ามากๆแต่ถ้าเผื่อว่าเกลือมันยังมีอยู่มันก็จะละลายได้เท่าความเค็มเท่าที่จะมีอยู่ในมนุษย์นะทีนี้ถ้าน้าเรามาก น้ำเรามากนะมันก็จะละลายเกลือได้มากละลายเกลือได้มากละลายเกลือได้มากเพราะว่าความเค็มมันต้องเมนเทนเท่าๆนี้ทีนี้ถ้าก้อนเกลือยังมีเหลืออยู่แนะมันก็ต้องให้ผลเป็นเค็มมากเราอาจจะต้องได้ผลมากไปใน น, นรกนูน่นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะแก้อไอ้ความเค็มที่มันเค็มไม่มากหรือแก้เกลือให้มันน้อยลงเนี่ยคุณต้องสร้างกรรัดีมากๆนั่นคือน้ำนั่นเองน้ําใ น, น, นเปรียบชูเหมือนกรลัดีที่ต้องเราต้องสร้างมากๆนั่นเอง น, ะะนี่ก็ถือว่าท่านกําลังบอกเรื่องแก้กรรมเลยใช่ไหมคะนี่ใช่ใ่ซึ่งรายละเอียดจะมีอยู่ต่อก็จะมาพูดต่อในวันพรุ่งนี้ได้อยู่ค่ะ <c oughs> ก็คงจะต้องรีบลาท่านเหมือนกันนะคะเพราะเดี๋ยวไม่เหลือเวลาที่จะพูดสรุปตอนท้าย <c oughs> กราบน้อมสักการะขอบพระคุณท่านไพบูบุญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะใช่ไหมค่ะค่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะท่านไพริบุญก็พยายามนะคะที่จะให้ผู้ที่ติดตามคอยตั้งแต่วันก่อนอ น, นูน้นซึ่งได้เริ่มต้นรายการว่า กรรมเนี่ยพยากรณ์ได้ไหมใครคนนั้นคนนี้มาบอกเราว่ามีกรรมอะไรได้หรือเปล่าแล้วก็แก้ได้หรือไม่ท่านก็รีบพาพวกเรามาจนถึงเห็นแสงนะคะว่าแก้ได้มีทางแต่ว่ามีรายละเอียดเยอะก็ต้องติดตามกันต่อไปในวันพรุ่งนี้รายการสัมสนีสนทนานะคะเรามีพระเพรบุอภิปุโนจากวัตปารณไฮโซ อุดรธานีมาเปิดธรรมที่ถูกปิดให้กับท่านทุกคนคะ่ะดิฉันหวังว่าประโยชน์จากการได้รู้ธรรมที่พระพุทธองได้ตรัสไว้ผ่านทางรายการนี้จะได้ถูกนำเอาไปใช้แล้วก็ได้เห็นผลกับตัวของท่านเองเป็นปัจจัตังนะคะรู้เฉพาะตนวันนี้เราก็คงจะลาการประเด็น เ, เท่านี้ติดตามรับฟังรายการสัมมนาสนท น, นาได้ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106ในวันพรุ่งนี้เช้านะคะ ก็พบกันใหม่ค่ะพุทว่์สวัสดีค่ะ